ใครต่อใครที่เดินเป็นคู่คอยจับมือคงต้องททดทองฝาที่มันกว้างเกินไปที่มาคว้างให้เธอและฉันต้องกลายเป็นคนที่ห่างไกลและฉันคงต้องททดทาง เมื่อมองไปไม่เห็นเธอ No คืนยอน้อนมาอา จ, จเป็นเพราะอา จ, จเป็นเพราะอา จ, จเป็นเพราะอาจเป็นเพราะทุกอย่างมันทำให้คิดถึงเธอคงต้องโทษสาตาที่เคย น, น อันเวล้าไม่คยจะช่วอะไรฉันได้ วันเวลามันทำให้ฉัน